ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาิิทัลศีปทุมกำลังนำเสนเ อ, อธรรมธาญาติสูตรมาถึงช่วงสุดท้ายที่ประสาริบุตระแด่ถาอธิบายขยายนยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ ภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิสสะทายาตแต่ไม่ได้ทรงอธิบายว่าะทํายังไงเรียกว่าเป็นธรรมทายาทําอย่างไรเรียกว่าเป็นอมิสสะทายาเพื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายมาพบพระสารีบุตรโดยเปิดโอกาสให้พระสารีบุตรแลอธิบายแก่ภิกษุเหล่านั้น ปฏิเสธก็อธิบายมาโดยดำดับแต่ว่ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าหากว่าบุคคลปล่อยให้จิตอยู่ตกอยู่ภายใต้กระแสะของอกุศลใจมันก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสะของอกุศลเหล่านั้นและในที่สุดก็จะประสบความเสื่อม น, นีก็เรียกว่ากลุ่มอมิสถาญาตทีนี้ถ้าปล่อยจิตให้ดำเนินไปตามกระแสของอดีมมัคในองค์แปดประการก็ชื่อว่าดำเนินไปสอบแล้วก็จะเป็นธรรมธาญาตื่อเป็นธรรมธาญาตก็จะได้รับ การสรรเสริญจากบิณฑยชนทั้งหลายเป็นในฐานะที่เป็นธรรมทาญาติไม่เป็นนมิสธาญาติแล้วพระพุทธเจ้าเองก็รับการสรรเสริญว่ามีสาวกเป็นธรรมทาญาติไม่ได้เป็นนมิาาสธาญาติเราสรรเสริญถึงผลดีงามที่ ตนดังนั้นได้จากการเป็นธรรมธายาตไม่เป็นอมิสธายาตพูดง่ายๆว่าการไม่ศึกษาการไม่ปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงสั่งสอนเอาไว้นั้นเป็นการอยู่เพื่อลาบยศส่วเสุดก็ชื่อว่าเป็นอมิสธายา แต่ถ้าก็มีการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นการขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับตามกำลังความสามารถก็ชื่อว่าเป็นธรรมอัะญาติในชั้นนั้นๆในการต่อมาพระเถระก็กล่าวว่าพวกโลภะทุโมหะ เป็นธรรมัลามหมากความว่าจิตใจของใครก็ตามถูกปรุงแต่งด้วยโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นระดับที่จิตกรบด้วยโลภะโทสะโมหะอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตขุนมัวสาหมองความคิดก็จะออกมาในแนวโลก จนไขว่คว้าออกไปข้างนอกโลดวจนถึงก็อาคาดพยาบาทและความเห็นก็จะคลาดเคลื่อนวิปราาจากทำนองทองทําเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้ถ้า โ, โรคปดหลงมันเกิดแรงมันอาจจะอยู่ระดับรุ่มรุ่มใจตามใจร่าร้อนกระสับกระส่ายเล่นไป ในรูปต่างๆซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของนิวรณ์ทั้งห้าประการนั่นเองที่พระเทระยกมาแสดงในตอนต้นก็เป็นนิวรณ์หประการเป็นการพูดถึงกิเลสประเภทกลุ่มรุ่มใจทีนี้ถ้าออกมาข้างนอกเป็นการทำเป็นการพูดแต่ว่าเกิดจากจิตที่กรอบด้วยโลกบลกุดลง ก็จะมีความรุนแรงจนถึงเป็นมิกฉาสญญีขลียุคคนมองกันเป็นผักเป็นปลาลลยลากันเข็นฆ่าทำลายล้างกันแล้วถ้าเราสืบสาวถึงพฤติกรรมเหล่านั้นจะเห็นว่าไม่อื่นไปจากโลกกฎลกมาจากโลกกฎหลงทั้งนั้น สึดสงครามทั้งหลายที่ฆ่ากันตายจำนวนเป็นล้านๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการฆ่านั้นเป็นการฆ่าด้วยความโกรธความลงหรือความโลภความลงจะฆ่ากันไปกันมาหมายกวามว่าความโกรธก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ฝ่ายตัวเองฆ่าฝ่ายอื่นได้มาก ก็จะเกิดความโลภคืออยากฆ่ามากขึ้นต้องการจะเอ oh, าชัยชนะทีนี้เมื่อฝ่ายของตนเองถูกฆ่าก็จะเกิดโกรธมากขึ้นแล้วอาวุธยุทธปัจจัยที่นา ม, มาใช้ก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆฝันจิตมันจะเข้มข้นหมดทั้งโลกทั้งโลธทั้งโลก ปรากฏการณ์ทารรมทั้งหลายที่ปรากฏในส่วนต่างๆของของโลกตั้งแต่สมัยไหนก็ได้นะฮะือสมัยที่โลกมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้ น, นมันก็เป็นอาการของความโลกุลลงนั่นแหละแต่ว่าสมัยโบราณท่านอาจจะไม่เรียกว่าโลกดลลงตัราะโกดลลงไม่เป็นภาษาบาลี ปุจจาระโกงวรียกว่าคากกว่าโลกโกหลงนะัเป็นคําบัญญัติครับในการแสดงสภาวะทางจิตประเภทดี ค, ความความปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อถือครองเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้ะของในเรื่องนั้นๆก็เรียกรวมรวมวัลโลกความรู้สึกที่เกิดขึ้น มีความไม่พอใจมีความไม่ยินดีมีความรำคาญมีความหงุดหงิดมีความงุนง่านมีความโกรธมีความประทุษร้ายมีความอาฆาตมีความพยาบาทมีการจงเวีนเป็นต้นเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นอาการของโทสะทีนี้ความไร้เหตุผลต่างๆบางครั้งก็งมงาย ไม่มีเหตุไม่ผลอะไรไม่สามารถจำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติเนี่ยแยกแย่ออกไปไม่ได้เหลืการทำผิดทำถูกไปเรื่อยๆก็เป็นอาการของโมหะโลกระดับโลกิยธรรมตัดโลกในกาลมาวิจรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละขึ้นๆลงๆ วิธีการในศาสนาจึงมีคำสอนในแนวของการขัดเกลาหรือขูดเกลา์ูดเราจิตไปเรื่อยๆมันก็ทำนองที่ทรงอุปมานี่เราเห็นชาติ่าเหมือนกับการขัดภาชนะสำริดภาชนะสำริดมันก็มีเสนิม ควต้องการจะให้สนิมมันหมดไปก็ต้องนั่งขัดขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปขัดไปก็ดูไปตรงใดที่สะอาดแล้วก็ขยับไปขัดตรงอื่นแต่เมื่อไรจะเสร็จอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความหนาของสนิมแล้วก็ความใหญ่ของภาชนะสำริดแล้วก็ประกอบกับความเพียนพยายามของผู้ขัด ถ้าความเพียรพยายามมันสูงแม้ภาชนะจะใหญ่สนิมจะหนาเต่๋ยวคนขัดเขาขัดอย่างต่อเนื่องเขาจริงเ า, าจังความสะอาดมันก็เกิดได้เร็วเข้มแม้ภาชนะจะเล็กสนิมจะบางแต่ว่าคนขัดขี้เกียจแล้วก็สะอาดได้จา หรือบางคนไม่ยอมขัดเลยผลสุดท้ายพัฒนานั้นก็ใช้ไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นอกรรมนิยะคือจิตที่ใช้งานไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติกันเป็นสายการ ก็ได้แก่อริมักวิวแปประการนะที่จริงก็เราปจํากันได้นะฮะแต่ว่าเวลาจะถามว่าปฏิบัติได้หรือเปล่านี่เป็นปัญหาภูเขาเลยคือแม้ข้อเดียวเนี่ยเราทําให้ได้สมบูรณ์นี่จะยากเพราะใดเพราะระดับของศีลสิกขาคนที่ทําให้ได้สมบูรณ์ก็ต้องเป็นะสมดาบันขึ้นไป ระดับจิตสิกขาคนที่ทําไม่ได้สมบูรณ์ก็ต้องเป็นพระนาคามีทีนี้ถ้าระดับปัญญาสิกขาทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคนที่ทําให้สมบูรณ์ก็นอนแหละพระอรหันต์ไปแล้วปัญสามัญชนอย่างไงก็ทําให้สมบูรณ์ได้ยากแต่ไม่ควรจะย่อท้อเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านที่จริงก็ท่านก็เป็นสามัญชนมาก่อน เมื่อท่านขัดเกล้าจิตใจของท่านไปเรื่อยๆท่านก็หมดกิเลสก็เป็นปรารทีนี้มันจะมาปฏิปทาเนี่ยเป็นการละความโลภความโกรธท่านบอกก็มีอยู่เป็นธรรมทาให้เกิดเกิดผล คือตอนนี้แสดงมรรคกับนิโรธผูกแนวแสดงมรรคกับนิโรธทีนี้เรามาดูมัชชิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเป็นสายกลางไม่หนักไปในทางอัตตัญญูมรรคานุโยคคือทรมานร่างกายแล้วก็ไม่หนักไปทางกาวสุการิขขรการนุโยคคือปล่อยกายปล่อยใจให้ เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสของอารมแต่ก็มีการกำกับควบคุมไม่อยู่ในตรงกลางไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปเรียกเต็ ม, ตมว่าอาริมักมีองค์แปดประการหมายความอาอริมักนั้น มีข้อเดียวแหละก็คือสมายานะความรู้ในทางที่ชอบซึ่งเกิดผุดขึ้นจากการปฏิบัติจนอรีมักในองค์แปดประการมีความสมบูรณ์จากนั้นก็จะเกิดเป็นญาณผุดขึ้นแล้วก็ทำดีใจของบุคคลให้หลุดพ้นซึ่งพระเทราแสดงในช่วงหลังนะฮะช่วงหลัง อริมักเบแปด ป, ประการเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวข้อสมาธิษฐิเนี่ยสมาธิฏฐิคืออะไรคือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงในหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการแล้วก็เป็นเหตุที่ท่านรู้อริยรสัจสี่ประการตามความจริง รู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทั้งกฎของปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าตัวที่ถูกกรจัดไปโดยตรงก็คืออวิชชาหรือโมหนะนั่นแหละคืออวิชชาทีนี้เราก็มองเห็นว่าอวิชชาเองมันก็เป็นรากงาวของโลภะโทสมามโมหะ เมื่อรากง่ามันถูกทำลายจะจริงก้านสาขาจะกี่จริงกี่ ก, ก้านก็ชังมันน่ะมันก็ถูกทำลายตามไปด้วยแต่นั้นสัมมาทิชชิในภาคของการปฏิบัติจริงๆมันเหมือนกระแสที่ส่องมารวมกันในจุดเดียวกันากายเราถือไฟสายมาแปดกระบอก แล้วก็สองไปอยู่ในจุดเดียวกันปริมาณของแสงสว่างมันก็รวมกันแปดกระบอกปรสว่างมากกว่าปกติแล้วขาจัดความมืดได้ไกลขึ้นว้างขวางขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทนี้การคำว่ารู้ว่ารู้ว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความรับทุกนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงสื่งความรับทุกท่านสาชนลองสังเกตว่าราการนี้ธรรมะเนี่ยเวลาที่บายเนี่ยจะซ้ำคือชื่อเนี่ยจะซ้ากันสภาวะจะซ้ากัน เราต้องอธิบายอย่างนั้นเนี่ยเราอาธิบายตามพระพุทธเจ้าอาธิบายคือเราไม่ได้ว่ า, วาเองพระอาจารย์ท่านให้สติเอาไว้ว่าผู้อธิบายธรรมะนั้นจะต้องทําหน้าที่เหมือนราชทูตอ่านราชสารหมาความาราชสารเขาเขียนยังไงก็อ่านไปอย่างนั้นเนี่นอยอ่านให้ถูกก็แล้วกัน อย่าไปเกิดแปลงสารขึ้นนะหรือถ้ามองนะครก็เราพ้องสุตคูณหรือว่าเราร้องเพลงชาติเนี่ยร้องกี่ครั้งกี่โหนกี่ปีกี่ชาติคนกี่คนก็ตามถ้าถูกต้องก็คือร้องเหมือนกันถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าร้องผิดคือจะเบื่อเรื่องความซ้ำซากนะที่จริงจิตใจเรามป็นซ้ำซาก ส, สัมซาคือในกระแสะของกุศลนกุศลกลางๆนี่แหละไมไปที่ไหนชั่วนาตาปีวันหนึ่งวันหนึ่งอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งที่เราคิดเนี่ยคิดดีคิดชั่วคิดกลางกลางคิดอยู่ได้สามอย่างเท่านั้นเนองผลการเห็นอริยสัจเนี่ยคำว่าเห็นเป็นการเห็นด้วยปัญญาเป็นการเห็นด้วยญาณเป็นการเห็นด้วยปัญญา เห็นความจริงที่แท้จริงของอริยสัจเหล่านั้นและท่าชีที่จะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจข้อนั้นๆข้อแรกนั้นทะเลาะศัตยานรู้ความจริงของอริยสัจแต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรนี่เป็นทุกข์นี่เกิดแห่งทุกข์ในความดับทุกข์ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุก ข้อที่สองเรียกว่ากิจยานรู้ภารกิจที่จะต้องปรับท่าทีของตัวเองให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของอาเดสแต่ละขอ้อประค์นี้จะทายังไงข้อนี้จะทำยังไงข้อนี้จะทำยังไ ง, ไ ง, ไงมันก็จะรู้ว่าทุกเนี่ยเรากำหนดรู้ไว้เฉย ยังเกิดแก่ตายเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเาเรียกว่าเป็นปริญญาตปรธรรมคือธรรมะที่เราควรกำหนดรู้ตามคติธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาในการพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นสถานะเหล่านี้ไปได้ แก้ไม่ให้แก่ได้ไหมนั้นก็ไม่ได้แก้ไม่เจ็บได้ไหมก็ไม่ได้แก้ไม่ให้ตายได้ไหมก็ไม่ได้แก้ไม่ให้พลากได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วเราดูตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้านั้นส่ง้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์ตั้งแต่พระชนมพรรษาสามสิบห้าเต็มยางอินตรัลได้หมด แต่ว่าแก่เจ็บตายพลาดพลาดเนี่ยล่าไม่ได้การพลราดพลาดสูญเสียพระช น, นีนั้นสูญเสียไปก่อนพระพุทธดาก็พระพุทธบิดาก็สูญเสียตามไปในการต่อมาพระมหาป ร, ระชาบดีก็สูญเสียตามไปพระพระัฒการจานาก็สูญเสียไป พระรูปปนันทาก็สูญเสียไปเจ้าธรรดานังทั้งก็สอนให้ในแง่ของการกาหนดรู้เอาไว้แล้วก็สมุทัยเนี่ยต้องมองให้ชัดเจนถึงโทษเอาโลภอดลงกันแล้วกันเราเห็นว่าจิตที่ถูกครอบงำด้วยความโลภเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจะ ต้องเบรกความเข้มข้นของมันเอาไว้ดีกรเในประเภทนี้มันมีคุณอ น, นันต์สมับโลกแต่ก็มีโทษมหาหันสมับโลกเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างว่าประเทศแต่ละประเทศอยากจะยึดครองประเทศเพื่อนบ้านของตัวเอง แล้วในสุดมันก็กลายเป็นมิกสัญยีการียุกอะเพราะว่ามันจะยึดกันไปยึดกันมาประเทศเล็กประเทศน้อยก็จะถูกทำลายประชากรจะถูกทำลายไปจำนวนมากแล้วสุดประเทศเหล่า น, นั้นก็ยังยืนอยู่ไม่ได้ อย่างประเทศรัสเซียนี่ก็เคยรวบรวม ป, ประเทศต่งตางๆมาไว้ตั้งเยอะในนามของสหภาพโซเวียตแต่ปัจจุบันก็แยกไปหมดละบางคราบางคราวก็พยายามจะเข้าไปมีที่พลนแต่ก็ยังทำไม่ได้ต่อไปก็ไม่แน่หรอกอาจจะทำได้เพราะว่ารัสเซียเขาเป็นประเทศระดับมหาอำนาจ แล้วมันสงบอะไรอ่ะมันได้อะไรเราก็ริงดินแดนที่เรายึดครองไว้เราก็ครอบครองไว้ไม่ได้เพราะเราต้องตายตัวเราผู้ครอบครองก็ต้องตายแล้วก็ทิ้งดินแดนเหล่านั้นไว้ให้คนรุ่นต่อไปต่อสู้ยื้อแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาต่อสู้กันทวงกัน อย่างไหตการณ์ในภาคใต้แม้เราก็เห็นชัดเจนฮะว่าไทยเองก็ถือว่าไทยพูดเองนะฮะก็ถือว่าบรรพชนของตัวเองอยู่มาก่อนพวกไทยมุสลิมเนี่ยขับมันที่ลัแต่มุสลิมก็ถือว่าตัวเองอยู่มาก่อนคนไทยพูดเข้าไปยึดยึดครองประเทศเขา เลยมันก็ยุ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยนี่คือปัญหาว่าพอโลภแล้วมันจะโกรธเมื่อเขาไม่ตอบสนองความโลภของเราแล้วในสุดแต่การใท้เหตุผลมันก็ไเปเกิดเพราะใช้อารมณ์ไปเยอะแรงของอารมณ์มันก็กระแทกกระทำ ดันั้นจึงนำไปสู่ปัญหาอิสสารพัดเลยเพราะโลกนี้เราจะสรุปรวมๆว่าโลกโพธมานังปริปันโุความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายทีนี้ความโกรธมันก็อีกแหละถือว่าอิงกันไปอิงกันมาระหว่างโลกโกรธลงเนี่ยความโกรธมันก็เผาผลาญทําลายล้าง อย่างตัวอย่างว่าจริงกับเช็กกับหมอจตุรงตอนเริ่มต้นที่คิดจะรวบรวมประเทศจิงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็มีความสมานฉันกันนะมีการประชุมปรึกษาตกลงนัดหมายอะไรกันเรียบร้อยผลมาท้ายต่างฝ่ายต่างก็หักหลังอีกฝ่ายหนึ่งเล่นกันแรงคนตายเป็นล้าน เือคนสองคนได้อำนาจทันนั้นหนงแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นสองประเทศจนถึงปัจจุบันเนี้ยระเทศนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมประเทศแต่คืนรวบรวมมันก็ตายกันอีกเยอะเพราะการรวบรวมมันก็เป็นโลกการทะเลาะวิวาสจนแยกเป็นสอง ประเทศมันก็พรอกโกรแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องหลกทั้งสองคนก็ตายเรียบร้อยแล้วตายไปหลายรุ่นเลยด้วยมาจนถึงซึ่งเสี่ยวพิงก็ตายไปแล้วแล้วก็อะไรเจียงอะไรเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็มาถึงคนปัจจุบันหูยินเท่า กันในที่สุดมันก็แตกดับไปตามธรรมดาของสังขัรเนะอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนว่าถ้าเราทาตามอานาจของกิเลสเหล่านี้มันไปนทำลามกนะครลามกคือศกโปรเลื่อนเพื่อนเลอะเทอะสร้างความสูญเสียความเสียหายความแตกแยกความพินาศอนเอกนกนัน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ ที่นี่อริยมรรเ์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมาธินะสมาธิอย่างอีกขลับคือมันที่จริงแล้วเป็นการรวมรวมตัวกันอย่างตกผลึกนะของอริยมรรต์ในองค์แปดประการแล้วก็เกิดความรู้อย่างนั้นขึ้น จนถึงเป็นความรู้ที่เรียกว่ากัตตยานคือรู้ว่าตนได้ทําแล้วคือรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละในละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําไม่แจ้งแล้วมัจที่ควรเจริญได้เจริญแล้วนั่นก็เป็นเรื่องสมาธิิแต่ว่ามันก็เชื่อมอยู่กับสมัยานะ การพูดโดยขณะจิตเนี่ยก็ยังไงก็ตามถ้าหากว่าไม่เป็นผลจากการปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วมันก็ดูไม่ถ่า น, นก็แยกไม่ออกก็จิงยานกับทัศนะเนี่ยคือยานกับความเห็นเนี่ยมันคืออันเดียวกันก็เห็นด้วยปัญญาด้วยกันนั่นแหละยานความรู้ก็รู้ด้วยจิตทัศนะการเห็นก็เห็นด้วยจิตบางทีเรียกรวมรว ม, มายานทะัศนะ คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทีนี้เมื่ออดีมักก็เกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ละโลภะโลสะที่มีอยู่มีอยู่นะฮะทันทก็มามีอยู่เป็นธรรมที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณ ดวงตานั้นคือผลรวมของความสมบูรณ์แห่งอริยสัจทั้งสแต่ไม่ใช่แห่งอริยมรรคทั้งแดแล้วก็เกินดวงตาเลยล่ะดวงตาปัญญาจักสุดวงตาคือปัญญาที่ไปจักสุดวงตาชิบแล้วก็พุทธจักสุดวงตาพระพุทธเจ้าและสมัญจักสุ เป็นตัวสัพปัญญาตยานที่เป็นเหตุให้สุขสัตยรู้คืตัวความสัตส์รู้นั่นแหละทีนี้พอกิเลสมันลดลงไประดับนั้นแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วนของกิเลสคือเกิดความสงบสงบจากอะไรก็สงบจากอํานาจของกิเลสทั้งหลายอนะไรจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามกิเลสมันก็สงบ แล้วก็ความรู้ก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับแสงสวาง่สวางเพิ่มขึ้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดมันก็สิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไ ป, นไปก็เรียกว่าอภิญญญาพอถึงจุดหนึ่งก็สัมโพธยาคือศัตรุ เป็นญาณ ท, ที่กล่าวแล้วนะฮะสามสามระดับแต่โดยเฉพาะระดับที่สามก็เกิดผุดขึ้นจิตใจก็เข้าสู่นิพพานเป็นการดับทั้งเพลิงกิเลสเลสและก็เพลิงทุกนิพพานนั้นโดยทั่วไปก็พูดถึงนิพพานสองสอปาทิเศส น, นิพพานเป็นการอธิบายสอง สองนยยะนยยะหนึ่งก็หมายถึงประยะบุคคลตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปถึงพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอะนะครับขณะที่ทรงดำรงชีวิตอยู่ก็ถือว่าสาปาทิเสสะในพานแต่เมื่อขันดับ <c oughs> ก็เป็นอนุปาทิเสสะในพานแต่ว่าอีกปริยายหนึ่ง ทรงอธิบายให้เห็นว่าอย่าไปตื่นะหนกกับความยากที่จะสัมผัสมากนนุลนิพานเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องค่อยทำค่อยไปกินอาหารก็กินทีละคำแต่กว่าจะผ่านลำโพลงไปได้ก็หลายนาทีกือต้องเคี้ยวกันอยู่หลายนาทีแล้วพอถึงจุดหนึ่งเมื่อปริมาณอาหารเขา มากพอก็เกิดความอิ่มขึ้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นมันก็มีนิพพานอ่อนๆไม่ใช่นิพพานจริงนะนิพพานอ่อนๆหมายความว่าสิ่งนี้มีได้แต่ว่าเราสัมผัสได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นิพพานเป็นวัตถุเพลงกิเลสและเพลิงทุกข์ ่ะบางคนมาท่าตีท่าต่อยอยู่หน้าบ้านการลงไปตีไปต่อยกับเขาการลงไปเนี่ยมันเกิดโทสะแล้วก็เกิดโลภะแล้วว่าเกิดโมหะมันเพิ่มเพิ่มโลภะตือต้องการเอาชนะเพิ่มโทสะคือความโกรธแล้วก็ทำไปแล้วไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น คือไม่ได้ไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลนี่แหละวันก่อนดูเป็นรายงานข่าวเล็กๆนะฟังเรามองในมิติของธรรมะว่าเออกิเลสเนี่ไม่เบาจริงๆแต่โดยสรุปว่าคือสามีก็พัญญารู้สึกว่าหรือสุรากันอะตอนตอนนี้ แต่ก็เสร็จแล้วสามีซึ่งอายุอ่อนกว่าทั้งเจ็ดปีก็มีความรู้สึกในทางเพศคงจะสูงกว่าแหละเราขอรับนอนกับพัญญากับมันดึกแล้วพัญญาก็ไม่ยอมเทียงกันไปเทียงกันมาเที่ยงกันมาเที่ยงกันไปสามีก็ไปคิดว่าพัญญานอกใจเลยก็คัตเตอร์เนี่ยมาปาดโครมเข้าไป โดยเจตนาจะขู่นะี่ยนะฮะแต่มันมือมันต่าไปหน่อยปรากฏว่าตัดเส้นเลือดใหญ่เลยปัญญาก็ตายไปกนอนหลับไปก็ตื่นขึ้นก็พยายามปลุกปัญญาไม่ตื่นแล้วก็ตรวจดูปรากฏว่าปัญญาตายทีและประตกใจก็ไปสารหนูมาดื่มกับเหล้าที่เหลือเนี่ยลาบขาวที่เหลือ แล้วก็นอนกอดศพปัญญาอย่างเงี้ยนะตำวดขึ้นไปพังบ้านก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยบอกโอนี่แรงของราคะแรงของโทสะเพียงเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นเมื่อไม่มีการตอบสนองว่าเกิดโทสะแล้วก็แรงจนขนาดฆ่า คือถ้าเรามองให้เห็นสาวลึกลงไปจะเบื้องหลังของพฤติกรรมที่คนทำคนพูดมันมาจากความคิดแต่ความคิดตรงนั้นเราจะเห็นว่ามันก็บูบเดียวแต่แม้ออกมาแรงแลยกันทีนี้ตีต่างว่าแกดับไปได้ทันดาบอกก็ไม่ก็ไม่ก็อาบน้ำ่าถาก็นอนเนย ตื็นขึ้นเช้าก็อยู่กันโดยปกติสุขไม่มีใครเดือดร้อนหมายความวันนพ้ผ่า น, นอน่อนๆใช่ก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่เพราะว่าจิตมันถูกปรุงคิดคิดปรุงด้วยโลภะด้วยโทสะแล้วด้วยริไม่ใช่โดยหึงหวงด้วยความระแวงสารพัดเกิดขึ้น ก่อนแรแต่จิตมันจะปรุงเงินนะครับนี่ก็คือภาพที่เราเห็นว่าเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากรู ป, ปรธรรมมันก็มาจากโลกภะโทสะโมหะประการต่อไปเป็นผลมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตคือการเจริญสมถะเนี่ยทําจิตได้สงบจนได้บรรลุฌาน ฌานที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่สยบนิวรเอาไว้สาบเท่าที่รำมังของฌานมีอยู่อิเลตมันก็เกิดขึ้นกลุ่มล ม, มใจไม่ได้สักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงก็อีกเรื่องหนึง่งนะฮะแต่ว่าก็สงบได้พวนี้เป็นนิพพานอ่อนๆก็แสดงว่าเราลองลิ้มลองชิมลองสัมผัสอ่อนๆให้ได้แต่ก่อน ก็ อ, อะไรก็ตามที่เราไม่ได้สัมผัสตรงแต่ความกระตือรือร้นที่จะสัมผัสให้ลึกซึ้งมากขึ้นขึ้นมันก็ไม่เกิดหรอกคล้ายๆกับอาหารที่เราไม่ได้ชิมเนี่ยเราก็ไม่อยากกินหรอต้องชิมซะ ก, ก่อนแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าอร่อยวินิจฉัยว่าอร่อยมันก็เกิดสัรท่าคือความพอใจในอาหารนั้น แล้วก็เกิดวิริยะพยายามรับประทานอาหารนั้นแต่เกิดจิตตาจิตใจก็จดจ่ออยู่กับอาหารตัวนั้นแล้วก็มีการพินิษพิจารณาตาบางทีก็ถึงการวินิจฉัยในสุดอัจฉริินอาหารชนิดนั้นชนิดเดียวก็ถือว่าอย่างอื่นก็ซั่วอาหารชนิดนี้ไม่ได้อิธิบาทมันเดิน แน่นอนอนิธิบาตนี้ไม่ใช่เต็มที่หรอกแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตประจาวันมันต้องเริ่มต้นที่ความพอใจแต่ก่อนจะตัดสินใจพอใจมันจะต้องผ่านการใช้ปัญญากรันกรองเปล่งพินิษฐพิจารณาให้ดีเสียก่อนพอทำมาอย่างนั้นแล้วก็จะตัดสินใจผิดก็ได้นนี่เราจะเห็นว่า ผลจากการปฏิบัติที่ส่งใช้คำว่าที่สัญชาติคว่าเกิดดวงตาเกิดญาณ น, นะฮะแล้วก็เกิดความสงบเนี่ยมันเป็นการสงบหมดโดยในยะหนึ่งก็คือสงบหมดนั้นคือจุดประสงค์จริงๆแต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสามัญชนทั่วไปก็สัมผัสได้ระดับนั้น แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำได้เนี่ยเราจะไม่รู้อำนาจแก่โลภะโทสะโมหะการทำเราก็ไม่แรงการพูดเราก็จะไม่แรงความคิดก็จะไม่แรงอย่างน้อยก็บาดน้อยๆเมืาอก่อนในอ่านหนังสือพระที่จริงลงตานะฮะเป็นลงตา ตอนท่านสิ้นไปอายุเก้าสิบเอดปีแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดถึงกระดูกของท่านเนี่ยเป็นาธาตุเนี่ยพระธรรมไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์คือท่านบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สึกหนึ่งสองครั้งถูกบังคับจากบ้านแั่งนั้น ครั้งแรกก็บังคับจากครอบครัวครั้งที่สองก็บังคับจากปัญญาแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องปานาติบาแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงดูลูกสามสี่คนดูแลปัญญาสามสี่คนเวลาไปจับสัตว์ถ้าได้น้อยท่านจะดีใจอ่ะดีใจใว่าทําบาปน้อยน้อย แต่พอได้มากนี่ท่านท่านไม่สบายใจพรทะทำบาปเยอะนันก็วิธีการมองวิธีการคิดของคนที่มีบารมีที่น่าทึ่งก็คือว่าท่านจบปหนึ่งแนั่นเองจบปหนึ่งแนั่นเองแต่ว่าแม้เป็นคารวะอยู่ที่บ้าน ก็ไปนอนกลางนาบางทีก็ลูกชายไปด้วยพอลูกชายหลับพ่อแทนที่จะหลับเนี่ยไม่หลับไปเดินจงกรมอยู่บนขันนาลูกชายตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะสงสัยทําไมพ่อเดินทุกคืนก็ไปสอบถามพ่อก็บอกว่าทําความสงบนั่นคืออะไรคือความเห็นท่านเข้าทางแนละ้ ความคิดท่างก็เข้าทางครับเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสมันไม่ให้ตอนปลายที่เหนียวรั้งท่านเอาไว้นี่ก็คือว่าท่านเป็นนี่อยู่ก็ห้ามบวชนะฮะคนที่เป็นนี้แต่ใ น, นที่สุดลูกชายของท่านทั้งตัวแล้วเนี่ยก็รับนี่อยู่ไว้เองทั้งหมดขอชดชายเองก็ให้พ่อบวชตามสบาย เพาะอาการเหล่าเนี้ยเราจะเห็นถึงว่าที่จริงจริงจิตท่านอยู่ในกระแสะของอรียมากแเราเห็นสมาธิเราเห็นสมาสังกปะเราเห็นสมาวาจาเราเห็นสมากรรมตะเราเห็นสม า, ม า, สมาชีวะของท่านก็ในช่วงแรกก็ไม่ชะสมบูรณ์หรอกแต่ว่ามันเดินอยู่ในแนวตรงนั้นซึ่งแต่ละเรื่องก็ต้องพยายามทําให้สมบูรณ์ต่อไป ตามกบลบังความสามารถของุณทีนี้การที่เรียกว่าเป็นนิพพานจริงๆเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นอภิญญายะสัมโบธายะนิปานายะสามคำนะอภิญญายะก็คือรู้ยิ่งจากการรู้ยิ่งเนี่ยทำให้สัสรู้สัตรู้ก็พอเข้าถึงนิพพาน นิพพากิเลสมัก็ดับหมดเป็นสมุดเฉดทะมีมุดคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยเด็ดขาดเด็ดขาดนั้นอาจจะเด็ดขาดระดับเป็นชัช้นๆไปหรือว่าเด็ดขาดหมดก็คือปราดานแล้วก็นิสรณนมิมุดคือ พ้นด้วยการออกไปจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความทุกข์อำนาจของสังสารวัฏโ ด, ดยการต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นการออกไปหลุดพ้นไปอย่างถาวรช่วนิรันดระฉอนต่อจากนั้นท่านจากระทบอารมณ์อะไรข้างนอกเนี่ยก็คืออารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบ ก็จะไม่ยินดียินร้ายแนวอารมณ์นั้นหรือจิตไม่ฟูไม่แฟบไปกับความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นั้นทีนี้อริยมรรคในข้อสมาสังกัปปะที่แปลว่าความดําริชอบเราจะเห็นว่าความดลิชอบก็คือจริงๆเป็นปัญญาที่เห็นชอบนั่นแหละเวลาทั้งคิดตั้งก็คิดชอบ การคิดกับการเห็นเนี่ยเป็นงานของจิตด้วยการแต่คนละกรณีกันแต่วันที่เราก็เรียกรวมนะฮะคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นแนวนี้ส่วนใหญ่เราใช้ในระดับวิชาการทั่วทไปไม่ได้พูดในแนวของญาณทัศน์ที่เกิดขึ้นภายในจิต ตอนการเป็นธรรมทายาทกล่าวโดยสรุปก็คื อ, อไม่ต้องให้รุงรังนะฮะคิดอย่าให้รุงรังดําเนินชีวิตไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาญาโยนสาธุชนนั้นก็เดินไปตามทานศีลภาวนาตอนนั้นก็เดินไปทางศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็ในเรื่อ ง, องเดียวกันนั่นแหละก็แก้โรกปวดลงด้วยกัน แต่ว่านัยยะที่พระเถระอธิบายก็ยังมีอยู่อีกเราคงจะต้องคุยกันอีกสักครั้งสองครั้งในพวกอัตรกาถาด้วยเพราะว่าอัตถาก็มีนัยยะมีประเด็นที่ควรกก่การใส่ใจสนใจอยู่ร้กันับพระธรรไทาย เสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในบนันนีขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจะมีแตะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี